เราก็ต้องมีสตินะไม่ทำอะไรนะมีสติตลอดเวลาช่วงนี้จำเป็นมากเลยคือเรามุ่งพัฒนานะประเทศมุ่งความเติบโตทางเศรษฐกิจเราไม่ได้คิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอะไรก็เลย คนหมดความสนใจคิดแต่ว่าทำไงได้ผลประโยชน์ก็โอเคแล้วทำอะไรก็ได้ให้ได้ผลประโยชน์ก็แล้วกันใครจะเดือดร้อนใครจะตายสังคมจะเป็นไงไม่สำคัญเราไปวัดผลว่าจะได้อะไรมาไม่ได้วัดผลว่าสังคมจะเสียอะไรไปไม่เคยคิดถึงปัจจัยนี้เท่าไหร่ นี่เราก็สร้างบุญบารมีมามากได้เกิดในสังคมที่มีปัญหาถ้าสังคมของเราสุขสบายเราจะพาวนาไม่เก่งหรอกเชื่อหลวงพ่อเถอะนันเราต้องภูมิใจนะ <c oughs> เวลาที่ชีวิตมีความสุขรู้สึกไหมยาว่าเฉช่วยเวลามีปัญหาหนะาภวนาเก่งขยันอย่างตอนนี้ปัญหาเยอะ คนไหนภาวนานะจิตใจยังมีพลังมากขึ้นมากขึ้นช่วงเวลาเดือนกว่าๆเนี่ยพวกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไหมช่วงที่มีเรื่องประท้วงอะไรใหม่ๆนะพวกเราฟุ้งซ่านสุดขีดนึกออกไหมตอนนี้เริ่มเข้าที่แล้วรู้สึกไหมเนี่ความเก่งของเราล่ะเราปรับตัวเก่งมากเลยใจของเราไม่ฟุ้งซ่าน เมือ่อช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมาใจเราเริ่มเข้าที่เข้าทางปรับตัวได้เราภาวนานะใจเรามีเรื่องมีแรงอย่างตอนนี้ใครระเบิดมาปาลงตรงนี้เพียงเดียวเนี่ยนะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยจิตพวกเราเราอย่างมากก็ไปสุคติบางคนปล่อยวางขันได้อาจจะไปนิพพานนะ นิพพานมันเป็นเรื่องของคนที่ต้องการพ้นทุกข์จริงๆต้องมีสติปัญญามากจริงๆถึงจะต้องการคนส่วนใหญ่ไม่ต้องการความสุขไม่ได้ต้องการผลทุกข์ทาวรนแค่ต้องการความสุขเฉพาะหน้าไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นอะไรที่ทำแล้วรู้สึกมีความสุขก็ทามันนั้นกันไม่ได้มองว่าทําไปแล้วเนี่ยความทุกข์มันตามหลังมาอีก อย่าเราแย่งอํานาจกันนะฆ่าผู้ฆ่าคนทําร้ายกันอไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรามีอํานาจแล้วเรามีความสุขเราไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่ตามหลังมาดงั้นคนที่หวังนิพพานหวังพน้นทุกข์มีไม่มากเราลองวัดใจพวกเราสิว่าเราต้องการความสุขหรือต้องการพน้นทุกข์นี่ต้องการความสุขรู้สึกไหมถ้าไม่หลอกตัวเองนะอยากได้ความสุข ทำไมอยากได้ความสุขเพราะสติปัญญาเรายังไม่พอเราคิดว่าโลกนี้ยังมีที่น่าอรเรศอร่อยอยู่เราคิดว่าความสุขมันยังมีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่ค่อยจะได้มันมาคนอื่นก็ได้เราไม่ค่อยจะได้ที่จริงไม่มีใครจะได้หรอกมีเงินมากก็ไม่ได้มีความสุขนะมีอำนาจมากก็ไม่ได้มีความสุขมีชื่อเสียงเจติยศก็ไม่ได้มีความสุขนะมีครอบครัว ดีแค่ไหนนะมีเมียสวยมีสามีดีเราเข้าจริงไม่ได้มีใครมีความสุขเท่าไหร่หรอกนี่เรายัางฝันลมๆแรงๆว่าวันหนึ่งเราจะหาความสุขในโลกนี้เจอเราก็ฝันไปก่อนแล้วก็พยายามหาเข้าวันหนึ่งเราได้เห็นความจริงนะหาแล้วก็ความสุขเนี่ยเหมือนเหมือนจะได้มา เราก็หลุดมือหายไปทุกครั้งเหมือนวิ่งแต่คลุบเงานะเหมือนเหมือนจะจับได้ก็จับไม่ได้ว่างเปล่าไปทุกทีจนใจเราค่อยๆเติบโตอย่างพวกเราที่มาสนใจฟังธรรมสนใจปฏิบัติเนี่ยต้องถือว่าจิตใจพวกเราเติบโตมากกว่าคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปยังวิ่งกันพลานๆานอยู่คนโบราณก็เปรียบนะเหมือนมด อยู่ในกระทะคนไม่เห็นว่ามีมดในกระทะแเอากระทะไปตั้งไฟมดก็วิงว่งวิ่งวิ่งไปวิ่งไปจนตายไม่รู้จะไปทางไหนวิ่งบนไปวนมาคนส่วนใหญ่เหมือนมดอย่างนั้นวิ่งพล่านพลานไปสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสแสวงหาความสุขตั้งแต่เกิดจนตาย ก็หยิบเอาความสุขขึ้นมาไม่ได้สักอย่างคิดว่าความสุขจะยิง อ, อาศัยอะไรบ้างก็ไปหาสิ่งนั้นมาเห็นว่าความสุขอาศัยคนอื่นก็ไปอยู่กับคนอื่นความสุขอาศัยสิ่งอื่นก็ไปหาสิ่งนั้นอาศัยเงินทองอาศัยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความสุขก็หายไปก็วิ่งอีกชีวิตเต็มไปด้วยการวิ่งไปเรื่อยๆตั้งแต่เกิดจนตาย หลวงพ่อเคยเห็นคนเจ็บหนักนะคนเจ็บหนักใกล้จะตายแล้ไม่ตายสักทีก็คุ้มคลั่งเลยเจ็บมากเอามือเขยา่าไอ้ลูกกลองของเตียงโรงพนะยาบาลน่ะเขย่าเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยเราก็อยากปลอบใจว่าไม่นานก็ตายหรอกแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ไม่ไดม้มาตรฐานสังคมนี้นะสังคมนี้อยากให้มันไม่ตาย เนี่ยจนกระทั่งวันจะตายนะยังหาความสุขอยู่เลยคิดว่าถ้าตายจะได้จะมีความสุขอีกในคนที่ช่างสังเกตหน่อยพวกอย่างพวกเราพยายามสังเกตดูคนรอบๆตัวเราะคนไหนที่เรานึกว่าเขามีความสุขเราลองสังเกตให้ดีเขามีความทุกข์ซ่อนอยู่เแต่เขาไม่บอกเราหรือเรามองไม่เห็นเองอย่างหลวงพ่อดูใครแต่ละคนแต่ละคนนะ เห็นแต่ทุกนะ้ไม่ได้เห็นว่ามันสุขอะไรนักหนาหรอกพวกเรามานั่งตาแป๋วแป๋วเทียบกับคนข้างนอกแล้วจิตใจของเราสุขกว่าเขาเยอะเลยแต่พวกเราก็ทุกทุกคนทุกทั้งนั้นเลยคนโง่ก็อรรถอร่อยกับโลกก็จมในความทุกข์นานหน่อยคนมีปัญญาก็เริ่มเห็นความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีความสุขที่แท้จริง มีความสุขชั่วคราวหลอกๆตัวเองนะเดี๋ยวก็ความทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างบางคนอยู่ตัวคนเดียวก็เหงามีความทุกข์ไปหาแฟนมารู้สึกไม่เหงาแต่มีภาระเยอะแยะเลยอยากจะปลดภาระที่หลังแนละ้วก็ปลดไม่ออกเองนะทุกข์อีกเมื่อไหร่สามีเราจะตายสักทีหนึ่งเมื่อไหร่เมียเราเนี่ยก่อนแต่งนะสวยสวย แต่งแป๊บเดียวทําไมมันโทรมขนาดนั้นเนาะแก่เร็วแก่ง่ายอะไรนะตายยากพูดมากกินจุดูยังกับหมาอะไรนูผู้ชายก็นินทาผู้หญิงนาะผู้หญิงก็นินทาผู้ชายรวมกลุ่มกันพอมีสติมีปัญญามากเข้ามากเข้านะมองไปรอบรอบตัวเนี่ยเห็นแต่คนมีความทุกข์พอเห็นอย่างเนี้ยใจมันสงสารนะใจมันเกิดความเมตตาขึ้นมา โอ้โมันน่าสงสารจริงๆนะมองไปทั้งไหนมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นเลยคนที่นึกว่าจะมีความสุขก็ทุกข์หลวงพ่อมองกระทั่งพวกพระนะพะทั้งหลายพระก็ทุกข์นะพระก็ทุกข์มากเลยโยมก็ทุกข์มากพระเนี่ยทุกข์หวังว่าวันหนึ่งจะพ้นทุกข์โยมทุกข์เพื่อวันหนึ่งจะทุกข์ต่อ mm. เพราะายังอร่อยอยู่กับโลก พอเรามองไปรอบๆตัวเราเห็นในความทุกข์นะใจมันจะค่อยๆไกลความยึดถือโลกออกเราเองไม่หลงโล ก, ออกแต่ความรู้สึกต่อคนอื่นเนี่ยเป็นความเมตตาจะเกิดขึ้นอัตโนมัติมองใครๆก็มันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยมันน่าสงสารทั้งหมดเลยนี่พอเราเห็นมันมีแต่ทุกข์นะใจมันจะไม่ไม่เกลียด แจมจะไม่โกรธไม่เกลียดใครสงสารมันเ้วในโลกนี้ไม่เห็นว่าจะมีตรงไหนเลยที่จะหยังเท้าลงไปอยู่แล้วก็มีความสุขขึ้นมาได้เนี่ยพวกเราลองภาวนาไปนะวันนี้จะเห็นอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละอย่ยว่าแต่โลกนี้เลยนะสามโลกเลยรูปประโลกรูปประโลกหรือโลกอย่างพวกเรา โลกที่ยังมั่วสุมอยู่ในกามจะเป็นปรมโลกสวรรค์มนุษย์ใบายภูมิทั้งหลายมีแต่ทุกข์ทำไมมันมีแต่ทุกข์ตัวที่ทุกข์คือตัวขันตัวกายตัวใจเรานี่ตัวทุกข์อยู่ในนรกก็มีกายมีใจมีทุกข์ เป็นคนก็มีกายมีใจเป็นเปรตสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีกายมีใจก็ทุกข์ของมันเองเป็นเทวดาก็มีกายมีใจก็ทุกข์อีกนะเป็นพรหมก็มีกายมีใจอยู่เว้นพรหมพิเศษบางยงพวกมีใจไม่มีกายแต่ใจเองก็เป็นตัวทุกข์พรหมพิเศษอยู่ชนิดหนึ่งมีแต่กายไม่มีใจพวกพรมมีหลายชนิดมีทั้งกายทั้งใจ มีแต่กายไม่มีใจมีแต่ใจไม่มีกายก็มีพรหมมีหลายอย่างเขาก็ทุกของเขาทั้งนั้นเลยทุกเพราะว่ามีกายทุกเพราะว่ามีใจนี่เองงั้นเวลาที่เราจะมาเรียนธรรมะนะเพื่อจะให้ใจมันเบื่อโลกเนะี่ยไม่ต้องไปเรียนโลกข้างนอกอย่างมาเรียนโลกข้างนอกเราก็บอกอยู่เมืองไทยเป็นทุกไปอยู่อเมริกาคงไม่ทุกนะอยู่อเมริกาก็ทุกนะคนไทยไปอยู่อเมริกาก็ทุกแต่ว่า เคยชิดแล้วให้กลับมาอยู่เมืองไทยก็ไม่อยากกลับนะไม่รู้จะมาทำมาหากินไงดํารงชีวิตไงเพื่อนฝูงก็ไม่มีละอะไรเงี้ยจําจเป็นต้องอยู่ที่จริงอยู่ตรงไหนก็ทุกข์หมดเลยสิ่จริงมันทุกข์เพราะมันมีกายมทุกข์เพราะมันมีใจอยู่ที่ไหนมีกายมีใจความทุกข์ก็อยู่ที่นั้นท่านถึงบอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานคกันธาทุกขาโดยสรุป ขันทั้ง5้าเป็นตัวทุก ข, ขันทั้งห้าก็กายกับใจเรานิ่งนี่เราภาวนาเรามาเรียนรู้กายรู้ใจไม่ต้องไปเรียนโลกข้างนอกโลกข้างนอกนะมันจะเรียนไม่รู้จักจบถ้าเรียนโลกภายในคือกายกับใจของเราเนี่ยมีที่สิ้นสุดพอเข้าใจกายเข้าใจใจแจ่มแจ้งนะจะไม่ยึดถือกายยึดถือใจเมื่อไม่ยึดถือกายถือใจแล้ก็จะไม่ยึดถือโลกไปด้วยเพราะเราทั้งหลายเนี่ยเอากายเอาใจเราเป็นศูนย์กลางของโลกนะ เวลาเรามองโลกใช่ไหมเราก็มองออกจากตัวเราไปวเราเป็นศูนย์กลางของโลกศูนย์กลางของจักรวาลในพอมาเห็นความจริงแล้วกายนี้แหละตัวทุกใจนี้แหละตัวทุกตัวเรานี่แหละตัวทุกในเห็นย่างนี้งั้นในโลกมันจะหาตัวสุขไม่ได้อีกต่อไปในความเป็นจริงกายนี้ใจนี้ทุกอยู่แล้วแต่คนทั้งหลายมองไม่เห็นร่างกายเราเนี่ยทุรุนลรุน มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่คนทั่วไปเ็จะคิดว่าร่างกายมีทุกข์กับสุขช่วงไหนทุกข์น้อยก็รู้สึกสุขนะจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะจิตใจนี่ถุกข์ล้นๆนมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่คนทั่วๆไปเวลาจิตใจมีทุกข์น้อยก็รู้สึกมีความสุขสุขกับทุกข์ของของพวกเราทั้งหลายนะเป็นสุขทุกข์ที่สัมผัสนะสัมผัสอาศัยการเปรียบเทียบความรู้สึก อย่างถ้าเราเป็นนักโทษในคุกนะแล้วนักโทษนี้โดนซ้อมทุกวันวันหนึ่งต้องถูกชกยี่สิบหมัดถ้าวันไหนไม่ถูกชกเนี่ยผิดปกติถูกชกทุกวันเลยตั้งแต่ติดคุกวันไหนมันชกย2่หมัดเรารู้สึกวันนี้ทุกมากนะวันไหนมันชกสิบแปหมัดเรารู้สึกสบายวันนี้ถูกน้อยหน่อยนี่อยู่มานานๆนะความประพฤติดี มันชกเหลือสิบห้าแเรารู้สึก้มีความสุขอย่างไลนนี่สุขทุกข์มันสัมผัสแบบนี้นะอาศัยเปรียบเทียบเอาสุขทุกข์อย่างโลกๆกเนี่ยที่จริงมันทุกข์ทุกน้อยลงก็รู้สึกสุขเคยถูกชกสิบห้าทีนะอีกวันหนึ่งผูค้ครูมันหมั่นไส้ชกยี่สิบทีทุกข์หนักกว่าเก่าอีกทุกข์มากกว่าตอนถูกชกยี่สิทีครั้งแรกอีกรนะูุม่นใจว่าทําไมมันเพิ่มอีกแล้ว พรุ่งนี้มันจะมากกว่านี้อีกไหมเนี่ยสุขทุกข์ในโลกมันเป็นอย่างนี้คือมันทุกข์นะทุกข์มากทุกข์น้อยนี่เรามาเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจมาค่อยรู้อยู่ที่กายแล้วก็อยู่ที่ใจก็จะเห็นความจริงกายนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยมาเรียนอยู่ที่ใจก็เห็นใจนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อย เนี <K _ d ew> ่ยคอยดูของจริงมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะหายใจไปนั่งหายใจแล้วก็รู้สึกไปหายใจเข้าไปรู้สึกสบายแล้วเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วนะหายใจออกรู้สึกสบายหายใจออกแป๊บเดียวทุกข์อีกแล้วเนะี่ยดูไปเรื่อยนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลมีสติรู้สึกอยู่ในใกายเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยมดูจิตดูใจส ความอยากเกิดทีไรความทุกข์ก็เกิดทั้งความยาำเกิดทั้งวันเลยเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปนะโอ้ใจเดี๋ยวก็อยากโน้นใจเดี๋ยวก็อยาก น, น, กากนี้ทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นต้อใครเยภาวนาเป็นลําดับลําดับไปนะแต่พอถึงปัญญาแก่กล้าจริงๆเนี่ยใจะ ไ, ม, ไม่ใช่ว่ามีความอยากก็มีความทุกข์นะมันจะเห็นว่ามีจิตอยู่ก็มีความทุกขนะ์ละจิตจะอยากหรือจิตไม่อยากนะมีจิตอยู่ก็ทุกข์ละ แต่ถ้าเห็นถึงขังน้นนี้จิตจะปล่อยวางจิตแล้วจะเป็นพระอรหันต์แล้วเราย่งไม่เห็นเราเห็นแค่ว่าใจเรามีความอยากก็ถุกถ้าอยากมากก็ทุกมากอยากน้อยก็ทุกน้อยค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยถ้าหมดอยากก็หมดทุกข์แต่หมดอยากไม่ค่อยมีมันอยากตลอดเวลาอยู่บ้านอยากมาวัดมาถึงวัดแนละ้ว อ, อยากกลับบ้าน เดี่ยวก็กลับบ้านความอยากเกิดตลอดเวลามาวัดมาตั้งหลายชั่วโมงเดินทางมาอยากมาฟังเทศหลวงพ่อเทนยาวไปห้านาทีนะอยากไปกินข้าวแล้วี่ยสองสามชั่วโมงที่เสียเวลานั่งรถมานะลืมไปแล้วว่าสูญเสียทรัพยากรไปเท่าไหร่เพื่อจะมาฟังเทศนะแป๊บเดียวอยากไปอย่างอื่นแล้วะเวลามีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะถูกบีบคั้น เคยเห็นไหมห้ละความอยากเกิดขึ้นใจจะถูกบีบคั้นใจจะไม่มีความสุขเลยความทุกข์มันจะตามมาทันทีแล้วความทุกข์นี่ยมันบดขยี้เลยจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวอยากโ น, กน้อโนอยากนี้อยากโน้นอยากนี้กระทั่งอยากไม่ทุกข์อยากปฏิบัติอยากปฏิบัติทุกข์ไหมอยากดีทุกข์ไหมรักดีหามจัว่วจั่วไม่ใช่เบานะรักชั่วหามเสา ก็หนักทั้งคู่เลยเงั้นใจเราเต็มไปด้วยความอยากเกิดขึ้นตลอดเวลาทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นใจก็ถูกบีบคั้นเพรนใจถูกบีบคั้นอยู่ตลอดวันมีมือลึกลับนะภาวนาแล้วเห็นไหมเหมือนมีมือลึกลับขยี้ใจอยู่ตลอดเวลา ย, ย่ํายีตลอดเวลาลวเห็นอย่างนี้แนละ้วโอ้เมื่อไหร่จะพ้นเมื่อไหร่จะพ้นนะอยากพ้นอยากพ้นมันยิ่งขยี้อีกนะ เราจะทำยังไงได้ฮะความอยากมันก็เกิดได้เองเราไม่ได้เจตนาให้ความอยากเกิดมันก็เกิดได้เองเพอความอยากเกิดขึ้นแล้วนะใจก็ทํางานดิ้นรนถูกบทขยี้มันก็ดิ้นของมันเองมันก็ถูกบทขยี้ของมันเองทํำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเรียนรู้ไปเรื่อยเราก็จะอยากจะพ้นไปอยากจะพ้นไปหาทางปฏิบัติจะให้พ้นจากความทุกขส์สักที ตื่นเช้าขึ้นมาก็คิดนะวันนี้เราจะปฏิบัติยังไงดีเนาะเราจะได้พัฒนาเร็วๆเราจะได้พ้นทุกเร็วๆพวกเราเคยนึกไหมวันนี้จะปฏิบัติยังไงใครเคยนึกบ้างยกมือสิยยกด้วยนะคิดทุกคนหนหะถ้านักปฏิบัตินะทําไงจะดีกว่า น, นี้ทําไงจะพ้นทุกกริยาคือคําว่าทำจะทํำยังไงจะทํำยังไงไม่มีคําว่ารู้ เนือ่อพุทธเจ้านะ่ะอัศจรรย์อัศจรรย์จริงๆเลใครๆเขาพยายามทำแนตะท่านให้เห็นอย่างที่เป็นให้เห็นตามความเป็นจริงคนทั่วไปก็คิดทําไงร่างกายจะไม่ทุกทําไงจิตใจจะไม่ทุกพุทธเจ้าให้เห็นตามความเป็นจริงกายนี้ทุกใจนี้ทุกแล้วท่านบอกไว้เลยให้เห็นแล้วเบื่อนะหเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อไหนเบื่อไหนก็คลายความยึดถือ ถอความยึดถือนะความอยากมันจะไม่มีอีกความอยากมันจะไม่เกิดอีกเพราะเรามีกายมีใจเรารู้สึกกายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเป็นของเราอนะเราก็เลยอยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์แต่ถ้ามันแจ้งแล้วนะไม่ยึดกายไม่ยึดใจมันความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็ไม่มีมันไม่ยึดถือความอยากไม่มี ความบีบคั้นในใจเขาไม่มีความบีบคั้นเรียกว่าความปรุงแต่งหรือเรียกว่าพบพบเคยได้ยินคำ ว, ว่าพบไหมพอสำเพาพอผ่านพบพบมีสองชนิดนะอุปัทิภพปฏิภพบพบโดยการเกิดอย่างพวกเราขนานี้มีอุปัทิภพเป็นคนเป็นมนุษย์พบอีกชนิดหนึงคือกรรมาภพคือการดิ้นรนของจิตนั่นแหละความบีบคั้นดท้นรนของจิตนะนะ ถ้าดิ้นหล่นในลักษณะนี้ก็เรียเป็นภพเทวดาร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดามีศีลมีธรรมร่างกายมนุษย์ใจเป็นผลมร่างกายมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานร่างกายมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์อย่างนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกเวลาที่เรามีความทุกข์นะร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นสัตว์นรกนะสัตว์นรกมันทุกข์อยู่เวลาเราโลภนะร่างกายเราเป็นมนุษย์ใจเราเป็นเปรต หิวโหยตลอดเวลาใจมันหิวนะร่างกายหิวข้าววันละสองสามครั้งใจมันหิวตลอดเวลาเลยหิวขึ้นมามนอยากขึ้นมามนก็ดิ้นมันก็บีบคั้นเนี่ยเฝ้ารู้ความจริงลงที่กายที่ใจนะใจเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อเบื่อแล้วก็ทําไงได้เบื่อก็ต้องอยู่กับมันหนีไม่ได้ก็ตามรู้ตามดูเรื่อยๆไปนะสุดท้ายใจเป็นกลางกับมัน พอรู้ตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคลายความยึดถือรู้อย่างเป็นกลางไม่ยึดไม่ถืออะไรมันอะไรก็ตามนะอยู่ในมือเราเราไม่ยึดไม่ถือเดี๋ยวมันก็หล่นไปเองเรายึดถือกายยึดถือใจอยู่นะพะเรารู้ความจริงแนละ้วไม่ได้ไปยึดไปถือมันมันก็หลุดออกไปสลัดออกเองสลัดคืนกายให้โลกสลัดคืนใจให้โลก เข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงคือพระนิพพานพระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากเมื่อสิ้นความอยากก็สิ้นความบีบคั้นนะสิ้นทุกข์ไม่มีรูปธรรมนามธรรมาหลือเพราะไม่ได้หยิบเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้ก็พ้นจากรูปธรรมนามธรรมาพ้นจากกายจากใจไม่ยึดกายยึดใจก็คลองขันอยู่มีกายมีใจไปยังทุกข์ทางกายนะแต่ว่าใจนั้นพ้นไปแล้ว ดำลงชีวิตอยู่เช่นวันที่ขันแตกขันดับะตัวทุกคือตัวขันแตกไปดับทุกดับรอบนเรียกปรินิพานดับรอบมีความสุขเพราะตัวทุกมันหมดแล้วตัวทุกมันหมดสิ้นไปเป็นสภาวะที่นึกไม่ถึงหรอกนรินิพานไม่ได้ขาดศูนย์นะ นิพพานไม่ใช่สภาวะที่ขาดศูนย์นิพพานมีสภาวะไม่ใช่ของที่ขาดศูนย์นิพร้อนิพพานเที่ยงแต่นิพพานไม่ใช่เป็นโลกอย่างที่เรานึกๆึกกันยังเป็นโลกอยู่มีรูปธรรมมีนามธรรมไม่ใช่นิพพานเพรฉอย่างนั่งสมาธิไปเฝ้าพรุทธเจ้าในนิพพานไม่ใช่นิพพานนั่นเป็นนิมิตเวลาที่พระพุทธเจ้าหรือพระอราหันต์สาวกอะไรก็ตามะ พระปัจเจกพระุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานพลังงานของท่านท่านทิ้งไว้ในโลก น, นั้นพลังงานของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องค์แรกก็ยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนหรอกเรามีใจอ่อนน้อมนึกถึงอะไรเงี้ยสัมผัสได้สัมผัสไปสัมผัสมานะจิตเราก็สร้างรูปขึ้นมาพเพื่อจะได้แยกได้อนี้องค์นี้นี่องค์นี้นะนี่พลังขององค์นี้องค์นี้จิตไปสร้างรูปขึ้นมามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นองค์เท่านี้องค์ขึ้นมา เป็นพุทธนิมิตเป็นรูปนิมิตทั้งหมดเลยอันนี้ผ่านจริงๆไม่มีรูปไม่มีน้ำท่านทิ้งพลังงานไว้ให้งันเวลาตกทุกข์ได้ยา ก, กเลยนะคิดถึงพระไว้นะถ้าใจเราสะอาดพอมีศีลมีธรรมพอมีบุญพอนะคล้ายๆพระพุทธเจ้ามาอยู่กับเราเลยคล้ายๆท่านอยู่กับเราให้กำลังใจเราตลอดที่สอนได้นะ สอนให้ทำอย่างนี้สอนไหมอย่าทำอย่างนี้สอนได้อะไรเป็นตัวแสดงออกมาจิตของเรานั่นแหละแสดงออกมาแปลพลังงานนะั้นออกมา น, นี่ผ่านไม่ได้ศู์หรอกนะ <c oughs> กินข้าวไปนิมนต์เลยครับ